ข้อนี้พระศาสดาก็ตรัสว่าแต่มนุษย์และสัตว์เป็นอันมากติดข้องอยู่ในรสแห่งอาหารจนต้องกระสือกระสนกระวนกระวายและต้องทำชั่วเพราะรสแห่งอาหารนั้นที่ว่าอาศัยอาหารนั้นก็คืออาศัยอาหารละความพอใจในรสแห่งอาหารนั้นบริโภคเพียงเพื่อยั่งังชีพให้ชีวิตนี้เป็นไปได้เท่านั้นเหมือนคนเดินทางข้ามทะเลทรายสเบียงอาหารหมด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 ไม่เฉยการร้องไห้น่ะไม่มีประโยชน์อะไรไม่ช่วยเรื่องหนักใจของเธอให้คลายลงได้หรอกข้าแต่พระคุณเจ้านางพูดตั้งเสียงเสืออ่ืดพลิกสูผู้เป็นปัจชาสมณะของพระอานนท์ต้องเบือนหน้าไปเสียทางหนึง่งเกรงว่าไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาได้ข้าพระเจ้า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 อีาพิคุณูปัสสายะไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านเดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนั่งลงน้าม้ายาวมีพนักตัวหนึ่งภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณกก้์นั่งลงณนะริมสุดข้างหนึ่งพระ อ, อนนทอนหายใจยาวและหนักหน่วงเหมือนจะระบายความหนัก อ, อกหนักใจออกมาื้อบ้างครู่หนึ่ง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 การหมกมุ่นอยู่ด้วยการมสุกสายหนึ่งและอัตตาคิลมถานุโยกการทรมานกายให้ลาบากสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรมีองแปลคือความเห็นชอบความำลำเลดชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริต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 ตันหาคือความพยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกการมาตันหาอย่างหนึง่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ขั้นมูลฐานดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภาวะตันหาอย่างหนึง่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วเรียกวิภวะตันหาอย่างหนึง่ง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 พระอาทิตย์เพิ่งจะยอแสงสาดพื้ชพิภพมาไม่นานนะักล้มอ่อนในยามเช้าพัดเฉยจิวฮอบเอากลิ่นดอกไม้นาน า, นาพันธุ์ติดมาด้วยนกเล็กๆ ก, กระโดดโลดเต้นด้วยความสำราญจากกิ่ง น, นี้สู่กิ่งโ น, น้นและจากกลิ่งโน้นสู่กิ่งนั้นพลางก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอารุณ์รุ่งพระอนนุ์พุทธอนุชา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 วิภาควิจารณถึงวรณกรรมของท่านพันธุลักษณ์ขณะนั้นเองพระอนุลพุทธอนุชาเดินผ่านมาเพศุลเหล่านั้นลุกขึ้นยืนรับและปูราาอาสนะเป็นทํานองเชื้อเชิญพุทธอนุชาพระอนุลเมื่อ น, นั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวว่าอาวุโสท่านทั้งหลายกําลังสนทนาเรื่องอะไรคร้างอยู่ละ่ะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังสนทนากันถึงเรื่อง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 และก็เป็นที่รักของทวยนครแคว้นโกศนเลือเกินข้าพเจ้าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพันธุลักษสนาบดีนี้นะ่เป็นชาวกุศินาราโดยกําเนิดดูก่อนศักยบุตรท่านทั้งหลายยังมีอายุน้อยและเป็นชาวแคว้นอื่นเพิ่งเดินทางมาสู่ราชธานีแห่งแคว้นโกสนไม่นานนักจึงยังหาทราบความเดิมแห่งท่านไสยนาบดีไม่ถ้าท่านทั้งหลายประสงค์ ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ท่านฟังแต่เพียงสังเขปเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นแสดงอาการยอมตามและวิ่งวอรเพื่อให้ท่านเล่าความเป็นมาแห่งพันธุระไสนาบดีแล้วพระอนุจริงกล่าวว่าพระราดร น, นับถอยหลังไปจากนี้ประมาณส0สิบปีเสรเมื่อท่านพันธุระไสนาบดียังอยู่ในวัยหนุ่มและสาเร็จการศึกษาจากสานักตกศิลาแล้วกลับสู่กุสินาราคนครนั้น